สูตรที่8ดนะครับกัลยาณสูตรนะสูตรนี้สูตรดีเพางั้นเถอะกัลยาณะเนี่ ย, ยนนแปลว่าดีหรือแปลว่างามในข้อสองเจพระองค์ตรัสว่าดูกนพิสูทั้งหลายภิกษุผู้มีศีลงามมีธรรมงามมีปัญญางามเรากล่าวว่าเป็นพระอรหันตะขีณาศพอยู่จบพรหมจรรย์เป็นบุรุษผู้สูงสุดในธรรมวินัยนี้ นะครับว่างั้นแต่สุดยอดว่างั้นนะนะเป็นคนสูงสุดแล้วนะครับในธรรมวินัยนี้เนี่ยนะคือมีศีลงามมีธรรมงามมีปัญญา ง, งามดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศีลงามเนี่ยอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วด้วยความสำรวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อย สมทานศึกษาอยู่ในศึกษาบททั้งหลายดูความพิสูจนทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศีลงามอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีศีลงามด้วยประการดังนี้นะครับที่เรียกว่ามีศีลงามศีลงามจะต้องถึงพร้อมด้วยปาติโมคสังวรศีนเป็นต้นนั่นเองภิกษุเป็นผู้มีธรรมงามเนี่ยอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเพียรในการเจริญโพธิปักจิยธรรม37ประการเนืองเนื่องดูจากภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีธรรมงามอย่างนี้แหลภิกษุเป็นผู้มีศีลงามมีธรรมงามด้วยประการชนินะครับภิกษุเป็นผู้มีปัญญางามอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้กระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ อันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดูความพิสูุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปัญญางามอย่างนี้แลหละโอ้ปัญญาระดับอรหัตตมัคอรหัตผะพนนั่นแหละครับจึงจะงามแต้พิสษุนนี่นะครับผู้มีศีลงามมีธรรมะงามมีปัญญางามด้วยประการนี้เรากล่าวว่า เป็นพาหันตะคีนาศบอยู่จบพรหมจันทร์เป็นบุรุษสูงสุดในธรรมวินัยนี้นะครับเอาสุดยอดบุรุษมากล่าวเลยนะครับบุรุษผู้มีศีลงามมีธรรมงามมีปัญญางามแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าภิกษุใดไม่มีการทําชั่วด้วยกายวาจาใจพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวภิกษุผู้มีศีลววางาม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 กล่าวพิกษุผู้ไม่มีอาสะวะสมบูรณ์ด้วยธรรมะเหล่านั้นผู้ไม่มีทุกข์ตัดความสงสัยได้แล้วไม่อาศัยละกิเลสทั้งหมดในโลกทั้งปวงนั่นแลว่าผู้มีปัญญา ง, งามนะครับก็เป็นถ้อยคำที่พระองค์ประพันธ์เรียบเรียงเพื่อยกย่องคุณของพระอาหารหันต์ทั้งหลายนั่นนะครับ อัตถกถาสูตรนี้อธิบายลักษณะของปาติโมขสังวรดีนะครับน่าสนใจนะครับเป็นถ้าหากว่าอ่านอัตถกถาสูตรนี้ได้เข้าใจเนื้อหาลึกซึ้งแล้วก็ที่อื่นๆก็สบายนะครับบทว่ากลาลยาณสีโลความว่าผู้มีศีลอันงามคือมีศีลสมบูรณ์แล้วได้แก่มีศีลบริบูรณ์แล้ว นในองค์คุณทั้ง3นั้นคือศีลงามทำงามปัญญางามเนี่ยนะภิกษุเชื่อว่ามีศีลบริบูรณ์เนี่ยด้วยเหตุ2ประการนะครับดูว่าศีลเราบริบูรณ์ไหมถ้าบริบูรณ์ก็บริบูรณ์เพราะเหตุ2 อ, อย่างนี่แหละคือด้วยการเห็นโทษแห่งศีละวิบัติโดยชอบนั่นเองห น, งนะครับถ้าหาว่าล่วงละเมิดทางกายเป็นกายทุจริตมีโทษอย่างไร ล่วงละเมิดทางวาจีทุจริตแล้วมีโทษอย่างไรนะครับกายทูตจิตวจีทุจริตเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีโทษอย่างไรมีโทษในภพนี้อย่างไรมีโทษในภพหน้าเป็นต้นอย่างไรนะครับรู้ผลทั้งหมดเหล่านี้อันนี้อย่างหนึ่งนะครับทำให้มีศีลบริบูรณ์ได้อย่างที่2ก็คือเห็นอ น, นิสงค์ของศีลสมบัตินะครับถ้ามีศีลแล้วมีผลต่อภพนี้อย่างไรมีผลต่อภพหน้าอย่างไรมีศีลแล้วนะครับเป็นฐานรองรับกุศลธรรมชั้นสู ง, สง ต่อไปอย่างไรนะครับแต่ในข้อที่ว่าศีลอันงามนี้พึงทราบความที่ศีลนั้นงามด้วยสา ม, มาแห่งมรคศีลและผลศีล น, นะครับก็ต้องเป็นวีรตีที่เกิดร่วมกับอริยมรรคอริยผลนั่นแหละครับจึงจะงามแท้ๆเป็นงามเปี่ยมนะเป็นความงามที่ไม่มีตันหาและทิ่ฐิจับต้องเลยนะครับต้องงามระดับระดับมรคผลนะครับที่พ้นจากข้อผูกพันทั้งหมดนะครับ พ้นจากตันหาทั้งหมดนะนะและบริบูรณ์โดยอาการทั้งปวงนะครับเต็มรอบเป็นศีลที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะครับอันนี้เรียกว่าศีลงามนะศีลงามแท้ๆก็ต้องเป็นศีลระดับมรรคผลแต่ว่าในชนชั้นธรรมดาทั่วๆไปนี่นะครับทั้งครรวาสและพระภิกษุเป็นต้นเนี่ยนะที่จะมีศีลบริบูรณ์ก็ด้วยเหตุ2 อ, อย่างนะครับหเห็นโทษของศีลวิบัต 2. เห็นอนิสงของศีลสมบัตินะครับถ้าถึงพร้อมด้วยศีลมีคุณอย่างไรถ้าล่วงละเมิดศีลแล้วมีโทษอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาแบบพิสดารก็ดูได้ในวิสุทธิมรรคนะครับศีลนิเทศโพธิปัจขียธรรมทั้งหมดท่านประสงค์เอาว่ากัลยาณธรรมเพราะฉะนั้นภิกษุชื่อว่ามีกัลยาณธรรมเพราะมีโพธิปขัขยธรรมมีสติปัฏฐานเป็นต้น อันงดงามนะโอ้คิว่าคนมีทำงามจริงๆเนี่ยนะทำงามจะต้องระดับไหนครับโอ้สติปทานสีสัมมาปทานสีอิทิบาสีอินสีห้าพละหา้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนะครับสติปทานสีก็ประกอบด้วยตาญานุปัสสนาสติปทานเวทนานุปัสสนาสติปทาน จิตตาโนปัสสนาสติปทานและธรรมานุปัสสนาสติปทานนะคะรับสามารถประทานก็ยังแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับคือเพียรกําจัดบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วน ะ, ะนะเช่นเพียรกาจัดกามวิตกเพียรกําจัดพยาบาทวิตกเพียรกําจัดวิเหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เพียรเฝ้าระวังไม่ให้อกุศลวิตก เ, เข้าครอบงําจิตนะครับแล้วก็เพียรเพื่อที่จะรักษาเนคข ม, มาวิตก อพยาปาทวิตกอวิหิงสาวิตกให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เพียรปกปักรักษาธนูถนอมบำรุงเนคขมวิตกอัพยาปาทวิตกแล้วก็อวิหิงสาวิตกให้ดําเนินบริบูรณ์พอกภูนต่อไปอย่างนั้นนะครับจึงเรียกว่าสัมมประธานส่วนอิทธิบาทนะครับก็คือคุณเครื่องให้บรรลุถึงฤทธิ์เนี่ยนะครับฤทธิเนี่ยนะก็จะต้องเป็นชันทีธิีบาทนะครับชันทะนะครับพอใจแรงแรงกล้านะครับเป็นชันทะ สมาธิประธานสังขาร น, นะครับวิริยะสมาธิประธานสังขารจิตตะสมาธิประธานสังขารและก็วิมังสาสมาธิประธานสังขาร น, นะครับอันอิทธิบาทก็เป็นธรรมะที่น่าสนใจน่าศึกษามากนะครับก็โปรดดูได้ในอิทธิปา ท, ทาวิพังนะครับคำพีวิพังแล้วก็ยังประกอบอีกอย่างหนึ่งครับก็คืออินรี่ห้านะครับ อินทรีห้าก็ประกอบไปด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาซึ่งนะคุณเคยกันบ่อยส่วนพร ะ, ะก็เหมือนกันนะครับต่างจากอินทรีย์เป็นพร ะ, ะก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเหมือนกันนะครับแต่อธิบายในลักษณะกํำลังนะคนบางคนมีเรียวมีแรงแต่ไม่มีกําลังลนะ่งกั้นนี่ยเรียวแรงที่จะทําชั่วทางกายนี่มีเรียวเรียวแรงพอที่จะพูดชั่วทางวาจานี่มี เรียวแรงพอที่จะคิดชั่วทางใจก็มีแต่ไม่มีกำลัง น, นะไม่มีกำลังคือขาดกำลังคือศรัทธานะครับขาดกำลังคือวิริยะขาดกำลังคือสติขาดกำลังคือสมาธิขาดกำลังคือปัญญาเพราะฉะนั้นเนื้อหนังมังสา ก, กล้ามเนื้อเนี่ยนะครับใหญ่เป็นมัดมัดพอที่จะทำบาปทำกรรมได้สบายๆ น, นี่คนมีแรงแต่ก็ไม่มีกาลังศรัทธาเป็นต้นนะครับ นะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาพอกพูนกําลังนะครับฝึกกําลังนะออกกําลังจึงจะได้กําลังเหมือนกันนะออกกําลังคือหมั่นเจริญพุทธานุสติเป็นต้นนะครับเพื่อเสริมศรัทธาพระวิริยะพระสติพระปัญญาพระเป็นต้นไปนะครับศึกษาพระธรรมคําสอนนะครับเป็นอาหารของกําลังเป็นอย่างดีเลยนะครับให้มีกําลังใจนะถ้าคนที่มีกําลังใจคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาแล้วก็กระโดดข้ามสังสารวัฏได้นะครับ หลุดจากวงโคโจรแห่งวัฏตะนะครับปหารกิเลสเป็นสมุทเฉดได้หมดเลยทีนี้ต่อไปก็คือโพ่ชองเจตนะครับธรรมะเป็นเครื่องตรัสรู้นะครับประกอบไปด้วยสติในชั้นต้นก็มีสติระลึกรู้ในสภาวะธรรมใดสภาวะธรรมนั้นๆให้มั่นคงนะนะเช่นระลึกรู้ไปที่รูปปัจขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและก็วิญญาณขันนะครับระลึกรู้ตามหลักของสติปัฏฐาน4ี่ แล้วก็มีปัญญาวิจัยวิจัยกายนั่นแหละครับวิจัยเวทนาวิจัยจิตวิจัยธรรมเหล่านั้น <c oughs> โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนะครับไม่ใช่วิจัยโดยความเป็นของเที่ยงนะโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตานะครับวิจัยให้เห็นความเบื่อนหน่ายไม่ใช่หน้าเพลิดเพลินเป็นต้นนะครับ ในคำว่าวิจัยเมื่อวิจัยก็ทําด้วยความภาคเพียรและพยายามทั้งทางกายและทางจิตทางกายก็เช่นการเดินจงกรมการทางจิตก็มันนั่งแล้วก็เพ่งพวิจัยไปตามนั้นนะครับถ้าวิจัยอย่างถูกต้องก็จะเกิดปีติปัสสัทธินะครับเกิดปีติสัมโพชฌงปัสสติสามโพชฌงแล้วก็ปีติปัสสัธินี่นะครับเป็นอาหารอย่างดีของสมาธิสัมโพชฌงนะครับแล้วก็อุเบกคาก็ เมื่อกุศลธรรมเหล่านี้ดําเนินไปดีก็วางใจนะครับวางใจเจริญไปเรื่อยๆนั้นเป็นอุเบกขาสามโพชฌงนะครับอันโพชฌงแต่ละอย่างถ้าปาราแล้วก็เป็นธรรมะที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้แม้กระทั่งอริยมรรคแต่ละอย่างนะครับสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมา อาชีวะนะครับสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะครับสัมมาทิฏฐินี่นะครับถ้าระดับโลกิยะก็เป็นกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสนาสัมมาทิฏฐินะครับถ้าเป็นระดับโลกุตระก็เป็นสัมมาทิฏฐิที่เหวานี้ทุกสัมมาทิฏฐิที่อย่างถึงวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขเนรโรตนี้ทุกขะนิโรธาขามินีปฏิปทานโดยที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะถ้าสัมมาสังกัปปะก็ถ้าเป็นโลกิยะก็เนคขามะสังกัปปะ อภยาปาทาสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะนะครับถ้าระดับโลกุตระก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ส่วนสัมมาวาจานั้นก็ได้แก่การงดเว้นจากวาจีทุจริตทั้ง4ี่ประการก็เป็นการใช้วจีสุดจริตอย่าง4ประการอย่างบริบูรณ์นะครับเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เดือดร้อนไม่เร่าร้อนนะครับถามว่าเราจะต้องใช้วาจาให้ดีแค่ไหนครับถามว่าเราจะต้องฝึกใช้วาจาแค่ไหนฝึกใช้จนไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังอีกเลย ตัวเองก็ตําหนิตัวเองโดยการใช่วาจาไม่ได้ผู้รู้พิจารณาไข้ควรก็ตําหนิตัวเองโดยวาจาไม่ได้นะครับหาข้อผิดพลาดในการใช้วาจาไม่มีเลยก็ต้องฝึกใช้วาจาจนถึงระดับนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้วาจาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดจนผู้อื่นตําหนิไม่ได้คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหรือว่าถ้ากายกรรมเนี่ยนะครับสัมมากามันตะเนี่ยนะ กายกรรมพฤติกรรมของเราเนี่ยต้องทําขนาดไหนครับก็ต้องประพฤติปฏิบัติจนไม่ต้องเดือดร้อนใจอีกเลยนะครับส่วนสัมมาอาชีวะก็เป็นไปตามกายกรรมและวะจีกรรมนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเว้นจากกายทุจริตวจีทูจริตในขณะเดียวกันก็ต้องประพฤติวจีสุจริตและกายสุดจริตนะครับถ้าหากว่าเป็นไปกับสุจริตเหล่านี้แล้วอาชีพก็จะบริบูรณ์นะครับอาชีพทั้งหลายก็จะบริสุทธิ์ แล้วก็ความบริสุทธิ์ของศีลเหล่านี้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามอันนั้นเป็นกิจของสัมมาวายามะนะครับคนที่มีความเพียรพยายามนั้นต้องเป็นคนที่ไม่ประมาทนะครับสา ม, มารถที่จะระลึกในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างดีอันนั้นเป็นสัมมาสตินะครับทำกุศลได้อย่างต่อเนื่องส่วนสัมมาสมาธินี่นะครับก็หมายถึงว่าที่ทำอย่างถูกต้องนั้นต้องไม่ฟุ้งซ่านนะครับถ้าไม่ฟุ้งซ่านสมาธินี่เป็นเหตุใกล้ของ สัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นอริยมรรคันประกอบไปด้วยองค์แปดถ้าจะเขียนให้ดีก็ต้องเขียนเป็นวงกลมนะครับแล้วก็จะสัมพันธ์ช่วยเสริมการเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี้เป็นปัญญาขันธ์สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเป็นศีลขันธ์นะครับสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมาธิขันธ์ ขันแต่ละอ ย, ย่างก็ช <c oughs> ่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับสมาธิอบรมศีลศีลอบรมสมาธิศีลอบรมปัญญาปัญญาอบรมศีลศีลอบรมจิตจิตอบรมปัญญานะครับส่งส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันสิ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นศิกษาอบรมซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแรกๆเลยก็รักษาศีลเพื่ออบรมจิตอบรมปัญญานานๆมาปัญญาและจิตนี่แหละครับจะรักษาศีลเองนะครับ จะช่วยทําให้ทั้งทั้งแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่บริบูรณ์เกื้อกูลเกื้อหนุนซึ่งกันและกันก็สามารถที่จะผนึกกําลังได้เมื่อไหร่ก็แทงตลอดอริยสัต์เมื่อนนั้นนะครับ น, นะพันโพธิปัจจยธรรมนี่ครับจึงเรียกว่ามีธรรมมากงามและภิกษุผู้มีปัญญางามด้วยสามารถแห่งมรรคผลปัญญานั่นแหลชื่อว่ามีปัญญางามโอ้งามแต่แต่เลยนะปัญญาระดับนี้ก็งามแต้ อธิบายว่าธรรมะทั้งหลายมีศีลเป็นต้นที่เป็นโลกุตระธรรมเท่านั้นชื่อว่ากัลยาณธรรมโดยส่วนเดียวเพราะเป็นธรรมมีอันไม่กำเริบเป็นสภาวะนะครับสภาวะเขาไม่ละเมิดเขาไม่กำเริบอะไรเลยนะครับส่วนมติของอาจารย์บางพวกกล่าวว่าภิกษุเชื่อว่ามีศีลอันงามด้วยสา ม, มารถแห่ง จ, จตุปาริสุทัยศีล น, นะครับชื่อว่ามีธรรมะอันงามด้วยสา ม, มารถแห่งธรรมะคือสมถวิปัสนา เชื่อว่ามีปัญญาอันงามด้วยสา ม, มารถมักผลปัญญาอันนี้อาจารย์บางท่านะนะอาจารย์อีกพวกหนึ่งบอกว่าศีลธรรมและปัญญาเหล่านั้นคืออาเสขะมันต้องระดับอรหรันต์เหมือนกันเถอะอาจารย์อีกพวกหนึ่งนะอาจารย์อีกพวกหนึ่งบอกว่ามักศีลผลศีลของพระโสดาบันและพระสกะทาคามีชื่อว่ากัลยาณศีล น, นะครับเพราะฉะนั้นพเพราะว่า พระโสดาบันและพระสกะทาคามีเนี่ยนะครับย่อมเป็นอันพระพุทธเจ้าทรงถือเอาแล้วโดวยบทว่ากาลยานสีโลอธิบายว่าพระโสดาบันและพระสกะทาคามีเหล่านั้นเนี่ยนะครับชื่อว่าเป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายนะครับพระโสดาบันกับพระสกะทาคามีนะครับจึงจะบริบูรณ์ด้วยศีลเพราะว่าท่านจะหาข้อตําหนตติตัวท่านไม่ได้เลยนะครับโดยศีล น, นะครับธรรมะคืออนาคามีมกักและอนาคามีผล ธรรมะคือมรรคอันเลิศเชื่อว่ากลรยานธรรมนะครับเพราะว่าในบรรดาธรรมะเหล่านั้นโพธิปัจจยธรรมย่อมถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนาเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลสามจำพวกนับตั้งแต่พระอริยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในมรรคที่สามคืออนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคเนี่ยนะครับย่อมเป็นอันพระพุทธเจ้าทรงถือเอาแล้วด้วยบทว่ากายาณธรรมโมนะครับ ศีลงามกับพระโสดาบาันทศก a า, าค a มีทรรงามอนาคามีและก็อรหัตมักส่วนปัญญาในอรหัตผลนะครับในผลอันเลิศเนี่ยชื่อว่าปัญญางามเพราะถึงที่สุดแห่งกิดด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าหันพูดถึงความไยบูณแห่งปัญญาพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าผู้มีกัลยาณธรรมบุคคลอย่างว่ามานี้แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าประสงค์เอาแลว้ว นะเพราะฉะนั้นจะมีประโยชน์อะไรด้วยข้อโต้แยง้งอันทำให้เนิ่นช้าในข้อนี้นะครับที่จริงนะหลายหายมติมันก็ถูกทั้งหมดนั่นแหละก็ดีหมดน่นจะว่าไปนะธรรมะอันมักมักอันเลิศและผลอันเลิศนะครับแต่ถ้าประสงค์เอาอะนะในที่นี้ก็คือเอามาักอันเลิศคืออรหัตธรรมอรหัตผลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นกัลยานศีน เป็นต้นนะครับกาลยานาศีลกาลยานาธรรมและก็กาลยาณปัญญาก็น่นนะครับในระดับอรหัตธรรมอรหัตผลในข้อนี้เป็นความชอบใจของพวกเราทั้งหลายเพราะว่าโดยวิภาคแห่งธรรมะเราเธรรมะแลว้วนี้เป็นปุคละวิภาคไม่ใช่ธรรมวิภาคนะท่านเน้นไปที่บุคคลที่จะมีคุณธรรมงามระดับนี้ก็ต้องโนนระดับอรหัตธรรมอรหัตผลบุคคลแหละ พระนิพพานสงัดจากสังคตาธรรมทุกอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าล้วนๆในบทว่าเกวลรีนะครับนะเกวรีเนี่ยนะเพราะไม่มีอะไรเจือปนนะนิพพานนี้ไม่มีอะไรปนจริงๆนะครับนะถามว่าไม่มีอะไรปนเนี่ยเพราะว่าไม่เกิดจากปัจจัยเลยไม่รู้จะเอาอะไรไปปนนะครับ มรรคผลยังมีอะไรไปปนถามว่ายังมีสิ่งที่ปนคืออะไรครับเพราะว่าเจตสิกทั้งหลายก็ยังไม่ปนนะครับจิตเจตสิกก็ยังมาปนอยู่นะก็เกิดจากปัจจัยทั้งหลายนะครับแต่ว่าเออของที่เกิดจากปัจจัยนะที่ดีๆยิ่งกว่ามรรคผลไม่มีแล้วแต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่ไม่เกิดจากปัจจัยล่ะอั น, นนี้ภาเนี่ยนะครับประเสริฐเลิศกว่ามรรคผลอีกเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่มีอะไรเจือปนนะครับพ่านิพาเ น, นี่ยไม่มีอะไรปน เชื่อว่าเป็นพระารหันล้วนๆเพราะท่านบรรลุนิพพานแล้วอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าเป็นพผ้ารหันอย่างเดียวเพราะบริบูรณ์ด้วยปหานะภาวนานเรื่องเกี่ยวกับการละละเนี่ยนะครับพผ้ารหันเนี่ยนะครับสมบูรณ์จริงๆนะครับละสมุทัยสัตว์ได้หมดเกลี่ยงเลยนะครับกรรมที่นําปฏิสนธิในภพต่างๆพผ้ารหันละหมดเลยอันพผ้ารหันเนี่ยนะครับเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยภาวนาถ้าบอกว่าบริบูรณ์ด้วยภาวนาเนี่ยนะครับอ่า ปหาณะภาวนาเนี่ยนะเพราะว่ากิจของอริยสัต์ไม่ใช่ปหานะอย่างเดียวนะครับยังมีอะไรอีกบ้างครับมีปริญญามีสัจฉิกิริยานะครับปหานะและภาวนาเพราะฉะนั้นกิจในการประพฤติในอริยสั์ทั้ง4ี่ประการนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายประพฤติได้อย่างบริบูรณ์นะครับและบริบูรณ์ด้วยธรรมะอันหาโทษมิได้เป็นปริโยสารเพราะมีความสุขอันเจริญตาเจริญใจเพราะมีความงามอยู่ในตัว นะครับมีความงามเพียบพร้อมบริบูรณ์นะครับเพราะว่าเทวดาก็ชมพรหมก็ยกย่องและสรรเสริญบริสุทธิ์ดุดแท่งทองชมพูนุษยนะครับใครจะไปตาหนิท่านได้นะครับเว้นไว้แต่คนตาบอดนะคนตาบอดมองไม่เห็นคุณธรรมของท่านก่อ น, นึกหมิ่นท่านตําหนิท่านนั่นแหละครับไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแต่แก่คนเหล่านั้นนั่นเลยนะครับนะที่จริงแล้วนะ ถ้าเราเรียนสังฆคุณทั้งหลายเนี่ยนะครับต้องไม่ลืมบทว่าอัญเชลีกรณียโญนะครับนะฮะอัญชลีกรณียโญอนุตรังปุญญกเขตังโลกสาตินะครับถ้าจะพูดถึงพระอริยสงฆ์ทั้งหลายตั้งแต่โสดาปฏิมักเป็นต้นไปนี่นะครับต้องไม่ลืมบทว่าอัญเชลีกรณียโญอนุตรังปุญญกเขตังโลกสาตินะครับไม่ใช่เรียนเพื่อวิจารณ์ท่านแต่เรียนเพื่อเอาไว้กราบท่านเอาไว้ไหว้ท่านไว้อย่างสนิทใจเพราะท่านเหล่านั้นเป็นนาบุญของโลกนะครับ แต่แต่คนทั้งหลายถ้าศึกษาไม่ถูกต้องก็ดูหมิ่นพระริยเจ้าไม่ดีนะครับท่านเป็นผู้ควรกับการเคารพกราบไหว้ต้อนรับเชื่อเชิญอย่างเดียวนะครับเป็นนาบุญของโลกจริงๆนะครับสำหรับชนผู้สแสวงหาบุญนะเชื่อว่าพระคีนาศพล้ว น, วนเพราะได้บรรลุพระรหัสนั้นเชื่อว่าอยู่จบพรหมจรรย์เพราะอยู่จบมรรคพรมจรรย์คือยังมรรคพรมจรรย์ให้สําเร็จตั้งอยู่แล้ว ภิกษุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรเรียกว่าอุตมะบุรุษคือบุรุษสูงสุดเพราะประกอบไปด้วยอาเศคธรรมที่สูงสุดหรือยอดเยี่ยมนะครับอเธรรมนี่นะครับสูงสุดจริงๆเนาะระดับอรหัตตมัคอรหัตผลเนี่ยนะครับถามว่าในบทว่าสีละวานี้ชื่อว่ามีสีเนี่ยนะด้วยอัฐวากไรนะแค่ไหนจึงจะเรียกว่ามีสีมีศีตอบว่าชื่อว่ามีสีด้วยอัฐว่าสีละนะนะครับ ตรงนี้เขแปลว่าปกตินะครับที่จริงแล้วบาลีว่าศีละณะนะครับควรที่จะทับศัพท์เอาไว้นะครับผมชอบว่าศีละณะมากกว่าพอไปค้นที่อื่นๆก็จะอธิบายได่อ่าเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้คำว่าศีละณะเนี่ยนะครับมีอธิบายไม่ใช่ที่เดียวนะครับวิสุทธิมรักอัทธาของศีลก็คือศีละณะนั่นแหละครับพรานอาจารย์บางท่านแปลว่ามูลรากก็มีแปลว่าสํารวมก็มีแปลว่าปกติก็มีแต่ท่านควรจําศัพท์ดั้งเดิมว่าชื่อว่าศีเนี่ยหมายถึง สีรณะนะหรือว่าสีระณะเถนะนะครับนี่ชื่อว่าอัดของของศี น, นะครับถามว่าที่ชื่อว่าสีรณะเนี่ยเป็นอย่างไรต่อว่าได้แก่สมาฐานะสมาฐานะความตั้งมั่นนะครับตัวสีรณะเนี่ยนะครับคือความตั้งมั่นอธิบอธิบายว่าได้แก่ความเป็นผู้มีกายกรรมเป็นต้นเรียบร้อยด้วยามสามารถแห่งความเป็นผู้มีสีบริสุทธ์นะครับคาว่าศีลณะเนะี่ยอธิบายว่า สมาธานังนะสมาานะก็คือตั้งมั่นนะนะตั้งมั่นคือหมายถึงว่ากายไม่กระจัดกระจายกายเรียบร้อยวาจาไม่กระจัดกระจายด้วยทูจริญนะครับเป็นวาจาที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นกายวาจาที่เรียบร้อยตั้งมั่นนะครับลักษณะนั้นเลยเรียกว่าศีละณะสีละณะนะครับหรือใช้คําว่าสมาธานะนะเพราะว่าสมาธานะเป็นศัพท์ที่อธิบายคําว่าศีละณนะซึ่งเป็นความหมายตรงๆของศีนะครับ เพราะฉะนั้นคําว่าสมาทานนั้นสมท า, านนางเนี่ยนะครับสมธ า, าสมท า, านังทอทงนะครับไม่ใช่ทอทหารถ้าทอทหารก็ถือเอานะครับแต่ตรงนี้ก็สมาทานแต่ว่าตั้งมั่นนะครับคือมีกายกรรมวจีกรรมเนี่ยเรียบร้อยไม่เกลื่อนกลนมีอาชีพดีนะครับมีศีลบริสุทธิ์เนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งได้แก่อุปทารนังนะครับการเข้าไปทรงไว้นะครับเข้าไปทรงไว้หมายความว่า ได้แก่ภาวะที่เข้าไปทรงไว้ด้วยสา ม, มารถแห่งการดํารงไว้ซึ่งกุศลมีฌานเป็นต้นนะครับอุปธาระนางนี่นะครับหมายความว่ามันรองรับกุศลธรรมชั้นสูงก็ได้นะครับแต่ว่ารองรับกุศลธรรมชั้นสูงอย่างที่พระองค์ตรัสว่าพีชะคามและภูตะคามเนี่ยนะครับเจริญงอกงามนี่เจริญงอกงามที่ แผ่นดินใช่ไหมครับอาศัยแผ่นดินจิงกัจกเจริญงอกงามภิกษุก็เหมือนกันตั้งมั่นอยู่ในศีลและเจริญสามัพธานเจริญโพชฌงพะละเป็นต้นเนี่ยนะครับก็อาศัยพื้นฐานคือศีลหรือแม้กระทั่งในวิเวกกถาปฏิสัมพิธามมักนะครับก็กล่าวถึงว่าสัตว์สีเท้าสัตว์2เท้าเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ดํารงอยู่บนแผ่นดินนะครับฉันใดพิสูจก็อาศัยศีลเนี่ยนะครับเจริญยินทรีย์เจริ ญ, รญโพชฌงเจริญอริยมักนะครับ แม้กระทั่งในคัมภีร์มิลินทปัญหาก็ยกว่าเออศีนเนี่ยนะครับเป็นคุณธรรมที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงคือรองรับฌานอภิน ญ, ญามรรคและผลถ้าหากว่าไม่มีศีล น, นะครับฌานอภิญญาเป็นต้นก็คงจะรั่วนะคงไม่มีที่รองรับไม่มีที่ตั้งนะครับคุณธรรมเหล่านั้นก็ไม่มีที่ตั้งนะเพราะฉะนั้นศีนเนี่ยหมายถึงว่าสมาธานังคือตั้งมั่นกับรองรับเอาไว้ เพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับศีละนะเป็นอัถะของศีเนี่ยสีละนะนะสีละนะอันนี้ได้แก่สมาทานนังกับอุปธานนังนะครับแนวคำภีรตามแนวของเถรว่าเรานะครับยอมรับสัพท์นี้เท่านั้นคือศีละนะศีละนะซึ่งอธิบายว่าสมาทานะกับอุปธารณะนะครับนะสีละนะนี่คือสมาทานหมายถึงตั้งมั่นและก็เข้าไปทรงไว้หรือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเพราะฉะนั้นนี่คืออัถะที่แท้จริงของศีนะครับ อัธยาที่แท้จริงของศีลถามว่าศีลมีลักษณะอย่างไรบอกว่าศีลนะนี่แหละครับเป็นลักษณะของศีล น, นะครับศีลนะตัวนี้นะครับซึ่งอธิบายเป็นสมาธานังกับอุปธานาังคือตั้งมั่นกับรองรับซึ่งกุศลธรรมชั้นสูงนี่แหละครับเป็นลักษณะของศีล